สจิตที่เป็นหนึ่งไม่มีอะไรมาย้อมได้ที่จริงธรรมะไม่ได้อยู่ไกลคนที่ให้ธรรมะเราคนแรกคือพ่อแม่เราเพราะพ่อแม่ให้รูปธรรมคือกายซึ่งเป็นที่ตั้งของนา ม, มาธรรมรูปธรรมนา ม, มาธรรมนี่แหละคือธรรมะนอกกนั้นก็เป็นครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์ก็มาต่อเติมให้เรารู้จักใช้ต้นทุนที่พ่อแม่ให้ให้มันเกิดประโยชน์ คนที่ไม่ได้รับการฝึกฝนอบรมมีต้นทุนที่ดีมีกายมีใจมีรูปมีนามเอามันไปทำชั่วเรียกว่าใช้มันไม่เป็นพัฒนาจิตใจต่อไปไม่ได้ครูบาอาจารย์ก็มาบอกต่อว่าจะใช้รูปใช้นามให้เป็นประโยชน์สูงสุดได้อย่างไรทีแรกก็ใช้รูปใช้นามไปถือศีลทำทานทำสมาธิสุดท้ายก็ใช้รูปใช้นามให้เกิดประโยชน์สูงสุดคือเอามาเรียนรู้ เป็นบทเรียนให้เราเรียนรู้รูปเรียนรู้นามวันหนึ่งเข้าใจความเป็นจริงของรูปของนามว่าไม่ใช่ตัวเราจะได้พระโสดาบันแล้วเฝ้ารู้รูปรู้นามต่อไปอีกจนปล่อยวางรูปได้ปล่อยได้เด็ดขาดได้พระอนาคามีถ้าปล่อยวางจิตได้เด็ดขาดก็หมดธุระทางาศาสนาคราวนี้มีสุขล้นล้นเลยอย่างนี้สมกับที่เราได้เกิดมาเป็นมนุษย์ผู้มีจิตใจสูงถ้ายังไม่ถึงขนาดวางจิตวางใจได้ แค่เห็นความจริงว่าจิตใจไม่ใช่ตัวเราก็ถือว่าดีมากแล้ววันหนึ่งข้างหน้าอนาคตไม่กี่ชาตินี้ก็จะวางจิตวางใจได้ฉะนั้นเราก็ใช้ต้นทุนที่พ่อแม่ให้มาใช้คําสอนของครูบาอาจารย์ที่สืบทอดมาจากพระพุทธเจ้าให้มารู้กายรู้ใจอย่า ก, กําหนดนะที่พลาดก็ตรงที่กําหนดนั่นแหละรู้แล้วมันจะเห็นความจริงกําหนดมันจะเห็นแต่ความนิ่ง ฉะนั้นการหัดรู้หัดดูมีสิ่งที่ผิดพลาดหลักๆสองอันคือเผลอไปบ้างเพ่งเอาไว้บ้างที่ผิดหลักๆมีสองอันเดี๋ยวก็หนักไปเดี๋ยวก็เบาไปมันจะหลงไปสู่ความเป็นคู่คู่ไม่เผลอไปก็เพ่งไปไม่หนักไปก็เบาไปไม่สุขก็ทุกข์ไม่ดีก็ชั่วไม่ละเอียดก็หยาบไม่อยู่ข้างในก็ไหลไปข้างนอกมันจะวนเวียนอยู่ในธรรมะที่เป็นคู่คู่ ถ้าปัญญาแจ่มแจ้งขึ้นมาก็จะไม่อยู่กับความเป็นคู่แล้วเห็นเลยว่าสุขกับทุกข์ก็เสมอกันไม่เอาดีกับชั่วก็เสมอกันไม่เอาหยาบกับละเอียดภายในกับภายนอกเสมอกันหมดไม่เอาใจไม่เอาเองทําไมไม่เอาเพราะใจมันเห็นความไร้สาระสุขมันชั่วคราวทุกข์มันชั่วคราวดีก็ชั่วคราวชั่วก็ชั่วคราวข้างในข้างนอกก็ชั่วคราว อะไรอะไรที่อย่างลงไปรู้ได้เรียกว่าพบทั้งหมดเลยก็เป็นของชั่วคราวทั้งหมดเลยถ้าใจเห็นทุกอย่างเป็นของชั่วคราวทั้งหมดใจวางค่อยวางไปต่อไปเหลือหนึ่งไม่เป็นคู่แล้วจิตก็เป็นจิตหนึ่งธรรมก็เป็นธรรมหนึ่งไม่ใช่เป็นธรรมคู่ๆธรรมที่เป็นหนึ่งก็มีแต่นิพพานธรรมนอกจากนิพพานเป็นธรรมคู่จิตที่เป็นหนึ่งเรียกว่ามหากิริยาจิตเป็นหนึ่งเพราะว่าไม่คล้องแวะ ไม่ไปถูกความเป็นคู่มาย้อมมันใจของเราถูกสิ่งที่เป็นคู่มาย้อมเช่นถูกสุข ก, กับทุกมาย้อมถูกดีกับชั่วมาย้อมย้อมได้ใจนั้นโดยตัวของมันเองเป็นหนึ่งอยู่แล้วแต่ที่มันกลายเป็นสองเพราะมีสิ่งมาย้อมยังย้อมติดฉะนั้นให้เราเรียนรู้ไปจนวันหนึ่งไม่มีอะไรย้อมใจติดใจนี้เหมือนดอกบัวอยู่ในน้ําแต่ว่าไม่เปียกน้ําไม่มีอะไรมาย้อมได้จะมีแต่ความสุขล้วน มีแต่ความสุขที่สุดเลยบอกไม่ถูกว่าสุขอย่างไรไม่ใช่สุขตอนไปเข้าสมาบัินะไม่จำเป็นเลยสุขตอนเข้าสมาบัิก็ยังกระเจอะงอกง่อยอยู่มีความสุขล้วนๆเลยตลอดเวลาทั้งตื่นทั้งหลับเลยนะยืนเดินนั่งนอนก็มีแต่ความสุขมีความสุขเพราะว่าใจไม่ถูกความเป็นคู่มายอมเอาถ้ายังถูกสิ่งที่เป็นคู่ย้อมยังแกว่งไปแกว่งมาค่อยเรียนไป